การปฏิบัติสำหรั บ, บครอบครัว2หมวดวันนี้จะให้เลือกหมวดแรกมี5ข้ อ, ขอเรียกหมวด5อหมวดในครอบครัวที่เราจักให้อภัยเอื้อเฟื้อ จมาจิกในครอบครัวที่ทำไม่ดีต่อกันได้มีเจ็ดให้รักหัหน้าเข้าหาปรึกษาช่วยเหลือดูแลเกือโกลดูแลเอาใจใส่รู้จักวางแผนในการใช้ใจ่ายรู้จักให้อาภัยซึ่งกันและกันและปฏิบัติกจิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เอาหมดห้าหรือหมดเจ็ดหมดห้าเหนื่อยน้อยหน่อ ย, อ ย, อยแตหมดเจ็ดใช้พระมากไปหน่อยอหมดไหนดีหมดห้าเนะเาะในโลกนี้เนี่ยมันมีมนมุษยชาติเป็นหน่วยขนาดเล็กๆของสังคมเป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพสิตธิหน้าที่ของบุคคลอันพึง ปฏิบัติต่อกันในครอบครัวและในสังคมสถาบันแห่งแรกที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนาผู้บลกคลวงเลีอยคือสามีปัญญาบุตรที่จะต้องทำหน้าที่ให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวนี้ให้ได้ใครเป็นคนกาหนดให้มีวันครอบครัวนายกคนนั้นชื่ออะไรชาติชายจนนาวัน นี่นะคนกำหนดเรื่องครอบครัวเนี่แต่ครอบครัวแตกเกิ่งนะคนวางแผนครอบครัวสายใหญ่รักครอบครัวแทกไปไม่ก่อยหลอนเออแล้วเราจะทํำยังไงกันครอบครัวของเราจะลาบลืมเอาเริ่มต้นคนที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงก็ต้องเหนฝ่ายใดไฟหนึ่ต้องมีการทำปิติภัตกไปบ้างให้นึกถึงธรรว่า พอจะให้อาภัยได้ไหมถ้ามันถึงอาภัยได้พยาบามอาฆาตเครียดแค้นในครอบครัวที่เกิดการเครียดแค้นพยาบาบอาฆาตถึงกับฟาดปัน้ำหมันฆ่ากันตายเพราะเป็นครอบครัวที่ขาดอาาภายัภยความเจ็บใจนี่มันจเจ็บมากเจ็บน้อยอยังไงก็แล้วแต่จะบ่งมันออกได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละตระกูลรู้จัก ให้อภัยเป็นคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นทำพยาบาทลูกผัวทางนี้ในบ้านด้วยกันนี่แหมไรข้าบ้านจะไม่พยาบาทก็คงยากกล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครคิดจะมีครอบครัวถ้าไม่มีออแรกอย่าไปมีกับเขาเลยไม่ตายก็ติดกุ๊กสองอย่าง บางทีก็ เ, เป็นฝ่ายทุกข์ทำรัฐตายเพราะไม่ยอมอภัยไม่หยุดดา่าไม่หยุดว่าตอนนี้เนี่ยที่มันน่าเป็นหว่วงเขาบอกว่าเขากลัวที่อากาบมากร้ายกันเอาเป็นเอาตายกันเนี่ยมันมีมากขึ้นและปีปีนึ่งเนี่ย็ดีอย่าล้างเนี่ยแม่มากจนกระทั่งตัวเลขในกรุงเทพไม่น่าตกใจนะ เขาบอกตั้งแต่9มเชา้ายันสมเย็นเนี่ยถั่วเฉลีย่ยนาทีานาทีตอนคู่กนยาเข็ดบางรักก็ยากเข็ดบางพลั ก, ก็ยากไม่ว่าเข็ดไหนที่ว่า ด, ดีในวันวาเลนไทยไปจดกันเยอะนะยมว่ายิ่งจดเยอะต้องอยาเยอะไหมเข็ดบางรักยามากก็พูด มันไปจดเยอะโอ้บางคนมีเขาเรียกว่าแขนขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียดเจ็บปวดเดือดแ้นเป็นนักเป็นหนาเมือ่อวานก็มียงเขียนหนังสือสอดมาให้ในสังฆาภบอกท่านอาชอบสอนว่าโกรธคือโง่โมโหคือบา้าแต่สา ม, มีจนมันเป็นมีกิจแล้วจะให้ ท, ท่านทำยังไง จะให้ฉันทำยังไงแต่ไม่ถามไม่ตอบนะใส่มาในสังญทานด้วย <c oughs> รับสังญาทานแปดพันละออถาวายสังญาทานกานให้อภัยเนี่ยยอว่าไห น, นได้บุญมากกว่ากันใช่ลร<ง>ืออภยาทานแกถาวายสังญาทานแต่แกไม่ให้อภยัยของได้บุญไม่เท่าไหร่หรอนะ ว่าข้อแรกสามีปัญญาอยู่กันยังไงก็กำลงมีไฟใดไฟหนึ่งผิดพลาดล่วงล้ำกันเกินเราไม่เอาความผิดพลาดนั้นมาพูดซ้ำเติมกันบ่อยๆยำๆมันก็คงจะเบาบางไปแต่ถ้าเอาความผิดพลาดของไฟใดไฟหนึ่งมาตอบยำซ้เติมแต่ก่อนนอนตื่นนอนพกอยู่นแกมไม่ดีอย่างนั้น แล้วยงบางคนเนี่ยอาฆาสามีตัวเองคนเดียวไม่พอถ่ายทอให้ลูกรวมด้วยอันนี้ยิแงง่แย่ไหมมึงมั น, มนจงเกียดพ่อมึงเหมกูเกียดว <c oughs> ดึงแมวม้วนมึงอยู่อย่างนี้มันทำให้ครอบครัวขมื่เกี่ยวทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นใครที่ มีครอบครัวแล้วขับอ่อแรกมันคงจะอยู่กันแบบข้อต่อไปไม่มีเช่นเอือเฟือเราไม่ให้อาภัยได้คว า, ามเอื้อเฟือมันก็ไม่ตามมาสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เช่หน้าที่ของฉันฉันไม่เกี่ยวเช่น คุณพ่อซักผ้าแม่ถูบ้านลูกล้างจานอยากคิดว่างานของใครตัวของคนนั้นเพื่อเขาเจ็บเขาป่วยเราก็ต้องทําแทนเขาได้เพื่ อ, พอเพื่อทำเหนือกว่าที่เคยทำํำนี่นเขาเรียกว่ามีการเอื้อเฟื้อทำที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่าบอกว่าแหมมันเหนื่อยเกินจําเป็น ทำเพิ่มมามันเหนื่อยเกินจำเป็นบางคนมีแต่มาเกินเหงนะหุงข้าวทำกับข้าวก็เป็นผู้ชายเึ้ตูน้นั่งจทำอะไรมันผู้ชาย อ, อคนเดียวทำได้ตั้งหลายอย่างซึ่งแม้ว่าไม่ใช่หน้าที่แต่เขาทำได้ช่วงวันไหนปริญารีบไปขายของแต่เช้าสามีก็ทำตทางบ้านให้ได้ ค น, นหนึ่ถนัดขายอีกค น, นหนึ่งถนัดขายไม่เป็นไม่ได้คล้องตัวก็ทําแทนแม่บาปมันก็จะผ่านไปกันได้อยู่กันสบายและการล้างถ้วยล้างจานนี่มันก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กอย่างเดียวใครก็มีหน้าที่ช่วยกันล้างได้ไม่ใช่ถ้าไอ้คนนั้นไม่ล้างหรือล้างไม่สะอาดก็อนุ瓦สมันก็ยื่ง สักผ้าถูบ้านทำกับ้าวล้างถ้วยล้างจานต้องคิดว่ามันคนครัวรวนเดียวกันแล้วมีชะตากรรมร่วมกันแล้วยังไงก็ต้องเพื่อเพล้เพื่อแพรทำหน้าที่แทนกันได้โดยไม่รังเกียจรังงอนเนี่ยไม่ใช่ทไนไปบ่นไป นี่หน้าที่มันแต่มันไม่ทํามันต้องให้กูทำมันก็นั่งย้ําบนเพราะเพ่อนล้างจานเสร็จแล้วยังบนไม่เสร็จนีโยมว่า ม, มันเหนื่ได้มากกว่ากันอือจานล้างเสร็จแล้วั้งบนยังมันฉก ย, ยังไม่เสร็จไปเพิ่มฟวาเลยขึ้นมากับความเป็นคนชั่งบน่นคนที่บนเนี่ยเป็นคนเอือเฟือยาก แต่ถ้าคนชอบทำอะไรก็เถอะเออเพื่อทำไม่คนนึกว่าช่วยๆกันไปบ้านเดียวครัวเดียวกันร่วมด้วยช่วยๆกันสวรรค์มันก็เกิดในบ้านง่ายขึ้นครอบครัวไหนขาบออที่สองเนี่ยเป็นแย่ที่สุดไม่มีความเออเพื่อเพื่อแพร่แบ่งปันสมมสามีได้อะไรมาอร่อยอร่อยมันหลบจิ้ในส้มคนเดียวนี่ยมมันจะหล่อแค่ไหนก็คงอยู่ยากไหม หญิงแม่เมียมีสวยยังกระดานลาลได้อะไรมามันไม่เคยแบ่งปันเลยเขาสวมกินคนเดียวเลยกว่าแฟนจะเห็นคนอย่างนี้เขาเรียกว่าที่ตืดที่เหนียวเขินแก่ตัวความหิ่นแก่ตัวนี่ทำให้ครอบครัวแตกแยกเยอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไอะไรมาดีไม่เคยเอือเพือพ่อเพือพ่อแพ่แต่ถ้าหามาให้ได้มาแบ่ง รับรองเลยความรักในครอบครัวเนี่ยมันจะทวีเพิ่มจนกระทั่งยากที่อะไรจะมาทําให้แตกแยกหยาล้างความเอื้อเฟือเนี่ยเขาเป็นสเสน่ห์ผูกพันเป็นข้อหนึ่งในการผูกใจรักซึ่งกันและกันครอบครัวไหนขาดข้อนี้ไปครอบครัวนั้นนจะเราของไรแหง เราก็จะบ่นว่าที่เราละมันเอาไปที่มันได้มาแล้วไม่ให้เลยนี่เป็นเรื่องที่ข้อที่สองเนี่ยหลายครอบครัวสร้างไม่สําเร็จคือสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแบ่งงานกันทําก็จริงแต่ถ้าถึงข่าวเราขับขันเขาขับขันสา ม, มารถเอาเราไปทาําแทนกันได้เพราะอย่าไปคิดว่า ง, งานใครก็งานมัน โดยไม่ได้ดูวา่าสถานะเหตุการณ์เขาเรียกรู้จักธรรมะสัจจะสะบ้างบอกงานใครงานมันแต่ทำมันไม่สบายหรือเราไม่สบายงานของเขาหรืองานของเราก็ต้องแบ่งปันกันทำช่วยกันทำอา้าออทิสานครอบครัวไหนไม่มีอารมณ์ขันบ้างมีแต่อารมณ์เครียด บ้านกัน so <dances> ่าหงิกหน้างอโงอารมณ์เสียพวกแบบนี้อารมณ์บูรตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลงอารมณ์หมิ่นตอนค้ำฟึกฟัดตึดฮัทั้งวันทั้งคืนินโยบบ้านเป็นนรกหรือสวรรค์บ้านเป็นนรกเลยวันครอบครัวเมื่อปีไหนไม่ร้หลายปีมาแล้วเขาพากันมาที่วัดเนี่ยแมานบกกันข้างกุฏิอมา นว่ากูไว้ใจมึงเออก็บ่นไปบนมาเดี๋ยวหลุดมาคำหนึง่งเพราะเอ้ยเราอยู่กัน2คนยังไม่คิดอะไรกันมากเลยอยู่2คนยัไม่ว่ามันจะมีคนที่สามมั้เนี่ยเราน่าก็เริ่มเถียงกันขนาดมาวัดเลยยังอารมณ์เสียและเจอบ่อยนะยืดกันก็มีทุกค์กันก็มี อะไรจะทำบุญอย่างอารมณ์เสียพวกไม่มีอารมณ์ขันเลยเครียดตลอดใครได้พอบ้านอารมณ์เกลียดลูกภรรยาก็แย่ yeah. เขาบอกว่าถ้าได้สามีอารมณ์เย็นภรรยาลมเย็นเนี่ยบ้านเป็นนิพพานไปครึ่งหนึ่งครับไม่ต้องติดแอก็อยู่สบาย แต่บ้านไหนแอร์สามตัวแต่หัวขิหวงหัวหดหดอารมณ์เครียดทั้งวันนี่โยมว่าแอรช่วยได้ไหมไม่ไหวหัดมีอารมณ์ติดแอรอารมณ์เย็นอารมณ์ขันพูดอะไรให้รู้สึกเขาว่าเลาะได้มัง้งขังได้มัง้งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยว่าเลาะทีนึงอายุยืนไปตั้งเยอะนะ แต่ถ้าใครทําให้เพื่อนอารมณ์เสียอารมณ์เครียดเนี่ยก็อายุสั้นไปไหลามินาทีเหมือนกันทั้งตัวทําให้ผู้ถูกกระทาอายุสั้นทางคู่ครอบครัวไหนมันเกิดมาบั่นทอนอายุกันก็คือมันใช้อารมณ์เครียดเขาห้ำหั่นอายุซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นใครไม่ฝึกมีอารมณ์ขันมั่ง แย่เนาะยอมยมว่าคนมาฟังเทศบรรจนแก้วเยอะเนี่ยปรเทศแบบอาลมขันหรือเทศไดเครียดเออถาเริ่ต้นก็เครียดยงจบนี่รับรองวาทิศนไม่มีใครมาหรอกแต่เทศเราสบายใจฟังแล้วลืมหนูลืมใจมีความสุขสนุกกับการฟังธรรมเป็นธรรมะบันเทงลืมเลืนใจบ้าง ไมชเอาแต่เรื่องคิดเพียบมาพูดกันรุ่ยแย่ yeah. <Yeah. S 1> ฉันบอกชอบเนี่ยตั้มนั่งเฝ้าดูแต่เรื่องสมการเนี่ยหวานตายร้อยวันนี้ขึ้นสองร้แล้วบาดเจ็บเท่านั้นเท่านี้โว้ย oh, ตายถ้พูดกันมาแม่มาไล่ตีไล่ฟันกันอยู่หลายศพแล้วเอามาคิดอยนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม่ไม่น่าเชื่อนะ สงการเนี่ยทำไมมันมีอารมณ์เกียดแค้นเดือดดานยิงฟันฆ่ากันไล่ตีกันบ้านช่องเขาพังไปทางไหนหลังเนี่ยเมื่อกี้นี่ที่อ่างทองหยุกเดือดเลือดพรานไอ้เพลงก็แต่งดีในปีนี้เพลงสงการอะเคยฟังไม้มชื่นชมสนุกแบบไทยๆเนีย่ยเพลงวั น, นี้มันน่าจะอารมณ์เย็นนะที่มันแต่งออกมา เห็นเปิดจังวัน90เก้าอบอังการสนุกเช่นจำแบบไทยๆเออแต่ไอ้พวกเครียดนี่มันไม่รู้พวกไหนเห็นใครมาจากต่างถิ่นก็เกลียดหน้าเห็นใครมาเล่นไม่ถูกหูถูกตา ถ, ถูกใจมันก็ฝาดฝันห้ำหั่นปีนี้มีเรื่องกันหยุดเหมือนกันนะขนาดก็แม่ขายเราไม่ให้เขาเอาแป้งเขาไปทา ไม่ไปเที่ยวงานสงการมันต่าจะมีอารมณ์เบิกบากมันไม่น้อยที่จะมีอารมณ์เสียอารมณ์บูดอารมณ์เนา่ามีการกระเซ่าเย้าแย่กันบ้างก็ไม่เห็นหน้าจะต้องถึงสาหาความาไรกันมากมายในบางโอกาสเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งพ่อทั้งพี่ทั้งเพื่อนสําหรับลูกก็ทําได้นะแาไมเห็นบางครอบครัวเขานะ ลูกเขาก็แย่เล่นพอ่อหัวเล่นหูกันแต่ว่าพ่อก็ไม่ถือเด็กแล้วเขก็เล่นกันสนุกทั้งขีข่คอจับปูอ้อเขายอมให้เล่นอุอ่มดีแต่บางคนมีนไม่ได้เลยพ่อหัวล้านนี่ลูกแต่หัวนิดเดียวเน้่ะขึ้นพุ่มลุด <c ười> ม่จก็จําพูดแปลว่าแต่งฝ้าได้แต่งล้านนะผู ไม่ได้แต่ว่าวันนั้นเสร็จหน่อยอารมณ์เสียแต่บางคนแปล ก, กนะนเนี่ยเวลาเนี่ยเอาไอ้ความวุ่วนวาเป็นอารมณ์ขันตัวเองตลอดทำให้คนอื่นสบายใจแทนที่จะเป็นจุดได้จุดอาภัพกับพลิกผันเอามาเป็นโอกาสให้คนสบายใจสนุกสนานได้ความวุ่วนบางคนามนีไม่ได้เลยนะแปรเชียวอะไรไม่ได้หรื ผมเิวมเปอมกเป็นมแต่บางคนกับใช้เป็นเรื่องสนุกเกิดอารมณ์ขันดีมันก็เป็นเรื่องที่คนเขาสร้างอารมณ์ขันของเขาเขาไม่เกียดแค้นไม่หน้าบึง้งหน้าบูดหน้าเสียพ่อแม่รู้บางครัง้งบางคราวก็มีหยอกมีเย้ แล้วก็ไม่ถือ้าหาโทษกลับกลายเป็นเรื่องมาเล่นกันคันเป็นสนุกก็มีความสุขในครอบครัวได้ครอบครัวใดที่ขาดอารมณ์ขันเนี่ยเหมือนขาดสาวรรค์ไปตั้งหลายปะตูเลยทดนั่คนนี้พ่อแม่กลับมาพูดจ้าโอ้ดีไปหมดไม่ใช่กินข้าวเมียวสาปรุงแต่งทับตายดันพูดมาได้ เังนะยังกับ้ำลังกง้นอ่ไรพวกนี้ โ, โอ้โหพดอย่างนี้มึงไม่เาชปีโก้กลัวกระบุญนาะนี่บางคนชมไม่เป็นตนัณฑอยางเดียวอารมเสียพูดตัณฑยับยับคลยๆบางคนเขรู้จักชื่นชมเขารู้จักชมแบบดีๆเออก็มีบางคนนี่บอก บุญตัวได้เมียคนมันแถมแม่ดีหมือนแม่หรือพูดอย่างนี้เมียก็สบายใจมันผู้หิงมันคนก็ปากหวาอนได้ผัวก็คนมันแถมพระเป็นพ่อพระในบ้านพูดอย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่แมมได้ผัวคนแรกยังก็จังไรกู คนนี้นิ่งที่แหละมึงได้เสมียดไอ้นคนนี้กายจังไรเ้คุณผู้ชมเอาคนเก่ามาเตียบคนใหม่ไปๆมาๆไม่ได้ชมรลยเออคนชมคนไม่เป็นนิโยมให้สิไม่พรไม่เป็นเลยมีอย่างเดียวตำหนีกัะแช่งใครที่มีปุยาตาใหญ่ชอบแช่งชอบตำหนีมีลูกหลานแย่ไหม เยนะเออปุญญาตายายบางคนยดี ด, ดีพูดแต่คำลกูกหลานสบายใจตำหนิก็ตำหนเิเบาๆบสาบแช่งไม่ออกจากปากเลยกลัวลูกหลานจะเสื่อมจะตกต่แระวังคำอย่างหนักเพราะมาปุญญาตายายพี่เขาถือกติโบราณว่าถ้าแช่งลูกแช่งหลานแล้วครอบครัวนี้มันจะไม่เจริญ เขาก็ระวังปากระวังคำไม่ให้หลุดคำตำหนีสาปแช่งอะไรที่ร้ายแรงนั่นใครที่คนเกิดมาได้อารมณ์ขันติดสันดานมาบ้างน่าจะถือว่าโชคดีมีความสุขได้ในระดับหนึ่งนะบางคนชอบเอาเรื่องอะไรมาทายสนุกสนุกกำคำได้ทังวันเอยเออ คนดำน้ำเนี่ยเขาบอกว่มันต้องมีน้ำให้ดำมันจะดำได้แต่มีคนประเทศหนึ่งไม่มีน้ำเลยแต่มันดำได้ใครมีคนเนี่ยคนดำก็หาเรืองไม่เป็นไม่สมารถชีครอบครัวคนละหาเรื่องมาทายให้มันขังคำออกบ้าง อารมณ์เียดมันก็จะคลายหายไปบางคนนี่แม่ชอบเอาเรื่องที่เจ็บปวดเขาฝ่ายหนึ่งมาล้มเลิก ม, มาประจาน้าพูดในเขาหุบหยิบก็เพล่เพล่บคนประหลาดกันด่าเสียมากถ้าเขาได้หุบหยิบมีความสุขไปแย่ไปยุ่ยก็มีความเครียดกันมามีความสุขไ ม, ไม่เด็กนีเกยเแล้วไม่อามันนอนมันดีเหียนะเมื่อกงเข้าไปเป่า แมลงก็ลำคาญย้ายนี่ไปนอนที่อื่นทางนีกมันไปตบพะพะปูห ร, ร, ร, ร, รือไปเข้าตาคนมันก็แตกถ้าเข้าเครียดก็ทำอะไรมันปัดลำคาญขึ้นมาชอ็อกมึงก็เคยแล้วมีแรงด่าผัวตาผัวรึครับไมมึด่าได้อันลุง เนพนผัวมันทนไมไหวกลับไปหาหลวงพอ่อนอนคุยกับหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกเฮ้ยมีลูกีเียมกลับไป ม, มานอนวัดมันเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่กอกับมาฐานงนั้นปรากฏบอกไม่ไหวหลวงพอ่อมี่าเกินหลวงพ่อบอกเฮ้ยมึงอยู่กับกูตั้งงานมึนงไมวางเสียงด่าเมียไม่เป็นอีกเนี่ยไอหนุหนบบ่มลูกศิษย์กบกหลวงพ่อมันเอา น, อ น, นาผมไปเทียบยางนั้นยางนี้ทำไมผมจะฟังไม่เป็น กมึงเสือก็หน้าไปรับมึงยิ่งโ่ใหญ่ฟัง่ถูกฟังไม่เป็นทำแล้วฟังยังไงวะเรียกว่าฟังเปนมฟังให้มันเป็นเสียงเกิดดับเวลาเมี่ยงอ้าปากเสียงก็เกิดพอุบปากเสียงมันก็ดับไปเชียงไปสังเกตดูเปบริกรรมดูถ้าเาี่อ้าปากมนก็เกิดพอเมี่ยมันดับเกิดดับตาคมันก็กลับมาเมียงโอ้คอยน้ำ ขนอดวันนี้ดึกยังด่านาดูไอ้นี่วันนี้ดึกเดประตูปบบมันก็จองจปากเมียเกิดดับเกิดดับเไอ้เี้ยชักสงสยตาไปทำงานมันก็ตะแรงๆมาที่บ้าวันนี้งฟังกูด่าไม่รู้เรื่องเลยนอะมันบอกกูเล่เนี่ยกูเล่นขัดเียถามรู้ว่าทไมมึงนิ่งอย่างเงี้ย มันกัไม่มีพฤตกรเหมือนวันก่อนละวันก่อนกูไม่รู้วันี้กูรูู้ยใครบอกอะไรมึงมาก็หลวงพ่อบอกกูว่าเราูชาเนี่ยเสียงมึงก็เกิดกูก็บริกรรมเมื่อเกิดป้องหูปากเสียงมึงก็ดับกูก็บริกรรมเม่าดับเกิดดับมั่ลองบริกรรม ด, มมดาต่อที่กูจะบริกรรมต่อ นักเข้าเฮ่ยยงมึงสอนกูหน่อยเออต่อมามันกับบริกรรมเวละเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ดับไอสองคนพวกเนี้ยดีกันเลยไม่มีคอารมณ์เสียใส่กันอีกเลยจับอารมณ์ได้แล้วมันเกิดดับออนี่คนเราเนี้นะที่มันอยู่กันไม่เข้าใจกันขัดเครื่องกันอารมณ์เสียใส่กันเรื่อยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันง่ายๆก็ทำไม่เป็นคิดไม่เป็นดูอารมณ์ไม่เป็นเอาซะเลยมันก็แย่อ้อที่สีออที่สีนี่คือพทนเขาบอกคนเราอยู่ด้วยกันมันเหมือนลิ้นกับถ้าฟันเราไปกัดลิ้นยังไงก็ต้องทนไม่จะต่อยฟันออกใช่ไหม ทนอยู่กับมันต่อไปเอามันไว้รังอื่นมันเคี้ยวอาหารนห้เราได้กินอร่อยลิ้นมาต้องเยอะยิ่งถึงคนมันมันแงนะนะเขาบอกว่าปากมันเสียแต่มันทำกับข้าวอร่อยก็ไว้ท้องต่อไปบางคน่วกเราคิดได้มันเสียอย่างได้อย่างฟันมันช่วยบดเคี่ยวอาหารในแต่เผื่อมันกระทบกับลิ้นได้คนอยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็ทำประโยชน์ให้กันได้บางครั้งก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันได้เขาบอกว่าความอดกันอดทนทำให้ครอบครัวหลครอบครัวได้ส่งผลต่อไปได้อีกเช่นเพราะอดทนบ่อยๆมันก็จะเกิดการอดอมอมถนอมใจอะไรต่างๆกันขึ้นมาได้มันก็จะไปอดทนต่อความลำบากยากเข็ญอย่างอื่นๆได้ แต่ถ้ากระทบกระทั่งกันแล้วอดทนไม่ได้เนี่ยแย่เขาบอกว่าผู้หญิงสวยผู้ชายรวยหลอ่อได้งันในเดือนเดียวผู้หญิงเริ่มบดนผู้ชักเหลือทนไอ้ผู้ชายบอกกูน่าจะรู้ก่อนมึงให้เหลือทนเนี่ยกูลทนมามากกว่าที่กูทนบัวนี่ไปมามาก็ขันแตกไม่มีขันติเพราะฉะนั้นเริ่มฝึกอยู่กันด้วยความอดกลั้นอดทน แล้วมันจะทำให้การอดออมการทนต่อความลำบากยุ่งยากในครอบครัวที่มันจะมากระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้กิเลสไม่พมุ่งขึงง้นมาง่ายๆการกระตุ้นให้คนเราทนได้เนี่ยมันเขาบอกว่าสุดยอดนะที่มนุษย์หลายคนทำอะไรไม่สำเร็จ ครอบครัวไม่สําเร็จในการอยู่ร่วมกันบันทุกท้ายเนี่ยมันต้องจากกันไปโดยมันไม่ทันจะทนเท่าไหร่เลยมันก็บอกว่าเหลือทนบางคนเนีบอกทนเพื่อลูกก็มีสามีทุกตีเอาแต่ว่าทนเพื่อลูกก็มีภรรยาปากร้าใจอมายิบพวกพระยิบไปได้ฟาดก็เคย แต่ว่าเขาก็บอกเขาทนเพื่อลูกเขาก็อยู่ได้สร้างครอบครัวได้สําเร็จจนอยู่กันจนแก่หมดแรงที่จะตีแล้ ว, ลวมันก็ไม่ต้องทนแล้วตอนนี้อยู่ตัวแล้วแต่บังกรณีดูเมพาะเดียวนี้เห็นไหมแต่งงานกันไม่เท่าไรเลยอ้างอะไรนะมันมีกำอ้างอย่า ง, างนึงพวกดาราเนี่ยก็บอกต่างฝ่ายต่ามีงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ได้วยกัน อนอ่ต่มาว่ามันไม่ใช่เรื่องนั่นเลยนึกถึงยอมพ่อก็ยอมแม่ต่มายอมแม่อยู่สวนยอมพ่อทำนานันนะีนี่ได้มาอยู่ด้วยกันเรือนสองเดือนก็ต้องกลับไปทำนาทำไมเมียนเขาหย่าร้างกันก็อยู่กันจะตายจากกนันมาอ้างว่าต่างคนต่างมีงานเยอะไม่มีเวลาเอาใจกันแย่ แล้วที่ทนสำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรไม่อยอมทนรับใช้ฝ่ายใดฝายหนึ่งเจ็บไข้อาจจะมาเคยดูรายการคนค้นค น, คนสามีเนี่ยแม่ทำหน้าที่เหลือเชือ่อภรรยาถ่ายไม่ออกล้วงง่ายใส่ถุงล้วงถ่ายทำให้อย่างชนิดที่สุดๆเลอ ทนดูแลเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยต้งนองรวอุจจาะปัสสวะโอ้ทำให้อย่างสมิดที่ไม่ต้องเกียดเลยก็อยู่กันจนจากไปแล้วมีอดเ่็เ น, นที่เขาบอกอยู่กันเป็นเดือนเดือนภรรยาตายแล้วก็ยังนอนอยู่ในศพปิดกันในมุงกลางเนี่ยเป็นเดือนเดือนก็ทำได้ ไปถึงรรมาที่ก็เอามาเล่ากันก็คือคิดถึงตอนที่เราเจ็บไข้เราก็ทนดูแลเราเช็ดหน้าเช็ดตาตอย อ, ยอยก็ทนอุจะละมัดวะว่าตายเลยก็ไม่อยากจะจากคนียนี้ยังไม่ทันตายด่าส่งขับไล่ใส่ส่งกันเมื่อไหร่จะไปพ้นกุสทีั่น่็ไปพ้นแล้ว นอนนิ่งแล้วไปยังางกรเบ็ดนอนอยู่ข้างโลง ก, กันเลยโยมที่มาวันนี้มันจะเพราะมีบางมื้เนี่ครอบครัวแบบนี้นะใครได้ไปก็เป็นเรื่องที่คนอื่นมองดูแล้วเป็นทุกข์เศร้าแต่เขากลับเป็นสุขแล้วเขากงัูใจอะครับถ้าทนได้ เนี่ยกลายเป็นอะไรรลงมาหยกความอดทนนีจะกลายเป็นสเบียงหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณจะเกิดโลกใหม่พบไหนก็จะไม่เป็นคนอ่อนแอใจสอบเบ่าบางท้อแท้จะเก็บเกี่ยวเอาความอดทนติดสันดานไปทุกพบทุกชาติจะไม่มีคำว่าใจสอบเบ่าบางอ่อนแอท้อแท้นี่คือคุณประโยชน์ของอที่สี่ อ, อสุดท้าย สุดท้ายก็คืออบอุ่นเมื่อเราได้ปฏิบัติสี่อข้างต้นแล้วเนี่ยออที่ห้าเนี่ยมันจะตามมาอย่างสบายๆแน่นอนคืออบอุ่นเมื่อสมาชิกทุกคนรู้หน้าที่และมีบทบาทของตัวเองและชีวิตครอบครัวก็คงจะหนีไม่พ้นจากคำว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันเริ่มที่บ้าน มีคําฝันว่าสุขภาพจิตเริ่มที่บ้านอันนี้แน่นอนเพราะที่บ้านสป อ, อบอุน่นน่าอยู่กลับมาขึ้นบ้านทีไรก็กะดิกเท้ากวนเพลงเบาๆได้ทุกทีบ้านคือวิมานของเราใครทําบ้านให้เป็นวิมานก็ถือว่าเป็นครอบครัวร่าเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบใ น, นวันนี้วันครอบครัว อย่าลืมออในท่องดังๆทิออที่1ปึ่งอภัยอที่2เออฟื่อเฟื่อออที่3ามขลมขันออที่4อดทนอ <c oughs> อที่5้าอบไอ้เจ้ามึงไม่อบน <c oughs> ไ้ลองท่องเองโดยพระไม่ต้องนำนดิห 1...... 2่งอสองสม้อ้ตบมือตัวเองนอนอขอให้ติดสมองกลับบ้านไปใช้กันนะไม่ใช่กลับจากแม่ขาววันแรกก็ อ า, อารมณ์เสียกับไปไหมเสียวัดด้วยมีหรือวัดพระพิョตัวเคยพูดเลยว่าไงนะถ้าใครลับไปอารมณ์ม้อารมณ์บูดอารมณ์เสียลับไปเนี่ยย่อมจะทาลายศาสนายิ่งกว่าเน้นคำเพราะอะไรไอ้ลูกหลา น, นมันก็ต้องนึกจะแหมมาวัดแล้วกลับไปคงดีขึ้นที่ไหนได้นักพุเดิอ น้ำมือน้ำอต่างๆเสียนนเก่าที่หลังชวนลูกหลานมาจะมาไหมพามัน่องอวัยวะไม่ได้เรื่องเวาอะไรกูจะมาทำไมแต่ถ้ากลับไปหน้าตาเบิกานอารมณ์ดีกูต้องส่ยายไปเจออะไรของดีมาอะ้งใสที่วัดน้าจะมีอะไรดีหลไปมั่งยังไงเท่ากับนลูกหลานเข้าหาศาสนาแต่ถ้านางอีกนางออนาูเาเทากัลูกหลานตอเลย บาปสองเท่าตัวถือสิ่งไม่คุ้มเลยเพราะนั้นกลับไปต้องทำให้คนในครอบครัวทึ่งสงสัไปเจออะไรดีมาแล้ววันนี้กลับมาถึงได้ดีครอบครัวเป็นสวรรค์เลยเอาละขออวยพรใครที่มีครอบครัวก็ิาปฏิบัติตัวให้เกิอดอสุดท้ายอยู่กันในความอบอุ่นตลอดไป ด้วยกันทุกท่านทุกคนท่า